ช่วงนี้ก็เรียกว่าแถวแถวตำบลขยานะแถวแถวตำบลขยาก็พุทธขยากับเมืองขยานี่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะว่าเมืองขยานี่เป็นจังหวัดเป็นเป็นจังหวัดเรียกจังหวัดขยา mm. พระองค์ก็เสด็จมาจนถึงตำบลอุรุเวลาแล้วโดยสมัยนั้นแลชดินสามคนคืออุรเวลกัสปะนาธิกัสปะขยากัสปะอาศัยอยู่ณตำบลอุรุเวลา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 เป็นประธานของเฉลิน300คนเฉลินชื่อว่าขยากระสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานของชฉิน200คนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปสู่อาสมของเฉินชื่อว่าอุรุเวละกระสปะแล้วเข้าไปตรัสกับเฉินอุรุเวละกระสปะว่าดูก่อนท่านกระสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่งจะไปขอข้างคืนอยู่ด้วยนะ ท่านอุรุเวลกัสปะก็บอกว่าข้าแต่พระมหาสมณะข้าพระเจ้าไม่หนักใจเลยคือไม่หนักใจอะนะที่จะให้ค้างคืนอยู่ด้วยแต่ว่าโรงบูชาเพลิงเนี่ยมีพญานาคดุร้ายมีฤทธ์เป็นอสอรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทําให้ท่านลําบากคือไม่ได้หวงสถานที่หร่ง น, นะแต่ที่นั่นงูดุเหมือนกันแม้ครั้งที่สองพระองค์ก็ตรัสแก่ชัดินอุรุเวลกัสปะว่าดูก่อนท่านกัสปะ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 คืออนุญาตในเชิงแต่ก็ห้ามในทีคือไม่หนักใจแต่ว่างูดุสรุว่าอย่าพักเลยว่างั้นนะเพราะถือว่าประโยคสุดท้ายเป็นหลักไหมอย่าเลยพรางั้นมันจะทําให้ท่านลําบากเหตุผลก็เพราะประโยชน์ของท่านนั่นแหละมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าลางทีพญานาตอาจจะไม่ทําให้เราลําบากดูก่อนท่านกัสปะเอาเถิดขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิงข้าแต่มหาสมณะเชิญท่านอยู่ตามสบายเถิด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 ก็ว่าไอควันที่บังหวนมานี่มันไปกลบตัวเองหมดเลยแต่ว่าก็เจ็บแสบปวดร้อนนะนะตามภาษาควันละก็ทนบอกแหมยามกันตามั้งเนี่ยนะ mm hmm. ก็เลยพ่นไฟตอบนะพระพุทธเจ้าก็เข้าสมาบัติมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ก็บรรดาลธาตุไฟเนี่ยต่อต้านเอาไว้เก็ว่าไฟทั้งสองฝ่ายก็ลุกโพล่ขึ้นนะนะไฟของทั้งสองเนี่ยนะรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิงดุดไฟลุกไหม้ทั่วไป พวกชเด่นก็พากันล้อมโรงบูชาเพลิงะนะก็มีตั้งหลายมีตั้ง500ก็มาล้อมกันดูว่าชาวเราพระมหาสมณารูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่พระรูปงามเดือดร้อนแล้ววันนี้มาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงครอบงามเดชของพญานาคเหล่านั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพระองค์ก็ทรงขดพญานาคเอาไว้ในบาดถ้าเหลือเป็นงูเล็กๆงูกินปลาธรรมดาเนี่ยมาไว้ในบาดนะ โดยผ่านราตรีนั้นพระองค์ก็แสดงแก่ชดินอุรุเวลกัสปะด้วยพูดทดำรดว่าดูก่อนท่านกัสปะนี้พญานาคของท่านเราครอบงาเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วจึงชดินอุรุเวลกัสปะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้จึงครอบงาเดชของพญานาคที่ดุร้ายได้เป็นพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงด้วยเดชของตนได้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 แต่ถ้าหน้านี้ก็มีน้ำไหลนะก็ข้างมีน้ำไหลแต่ก็น้ำใสจริงๆแต่ก็แบ่ ง, บงทวารเอากันแล้วกันที่แม่น้ำเนรัญชาเนี่ยพระผู้มีพระภาคย่าก็ตรัสกับเชดินอุรุเวละกะสปะดังนี้ว่าดูก่อนท่านกัสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราขออยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่งอันนี้อีกที่หนึ่งนะท่านอุรุเวละกะสปะก็บอกว่าข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยแต่ข้าพเจ้าหวังความสำราญจึงห้ามท่านว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายแรงอย่าเลยมันจะทำให้ท่านลำบากคือเขาจะมีโรงบูชาเพลิงใกล้ๆแม่น้ำลทัทธินี้เนี่ยนะละทัทธิของอรุเวลกับสปาก็คือลทัทธิอาบน้าล้างบาปแล้วย่างกิเลสเนี่ยนะก็คือเขาจะมีโรงบูชาไฟ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 สิ้นกรรมวิธีร่ายโอมาอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งก็เสร็จก็ขึ้นมาพิงต่อพิงให้มันร้อนเราอุสุดๆก็ลงไปอาบน้ําล้างบาปต่อเขาจะทําอยู่อย่างนี้ยจนเป็นอรหันต์ในความคิดเสกตัวเองด้วยใจเรียบร้อยว่าชั้นคืออรหันต์เนี่ยไอรงบูชาไฟตรงที่ไฟย่างกิเลส ต, ตรงนั้นะ่ะพระองค์บอกขอไปพักตรงนั้นได้ไหมก็บอกว่าถ้าท่านไม่หนักใจขอให้เราได้พักตรงนั้นบอกไม่หนักใจหรอกแต่ว่ามังูมันริษยาบมากอย่าเลยเดี๋ยวมันจะทําให้ท่านลําบาก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 พระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะก็คือพระมเหสีเจ้าพระผู้สแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติย า, านทัศนะเนี่ยเข้าไปก็ไม่พอใจบางหวนขวัญขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐมีใจดีมีพระทัยไม่ขัดเคืองเนยนะก็คือใจดีเสมอว่า ง, งั้นเถอะแม้กระทั่งเขาจะพ่นพิษพ่นขวัญกลับมาพราะองค์ก็ใจดีกับเขาเสมอไม่ขัดเคืองแปลว่าไม่ระคายเคืองทางความคิดเลย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 ไม่ทราบว่าเท่ากับพุ่งแบบไฟผสมอะไรนะออกซิเจนตัดเหล็กนะไม่รู้รุนแรงพ่นแรงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้เตโชกสินพุ่งออกไปแต่ว่าเตโชกสินเนี่ยบวกกับสีหกสีก็คือบวกกับฉับพันังสีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีหงสบาทสีประพาสส์เนี่ยผสมกับสีเหล่านั้นแล้วก็ไฟของพญานากรังับดับไปแต่ไฟของพระพุทธเจ้าก็ยังลุกโพลงอยู่ด้วยความงดงามเนี่ยนะ พระรศมีสีต่างๆที่สร้างออกจากผวรกายเช่นสีเขียวสีแดงหงส์สว่าสีเหลืองสีแก้วผลึกปรากฏที่พระกายของพระอังคีรสเนี่ยนะพระอังคีราศักิ์พระพุทธองค์ก็ทรงขดพญานาคเอาไว้ในบาทแสดงแก่พราหมณว่าดูก่อนกัสส ป, ปะนี้พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้วครั้งนั้นท่านอุโรเวลกัสส ป, ปะเลื่อมสายยิ่งนักเพราะอิทธิปาฏิหาริย์นี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะนิมนต์อยู่ที่นี่แหละข้าพระเจ้าจาักบํารุงท่านด้วยพัตตาหารประจําว่าเออเก่งนะสู้นาคได้นี่ไม่ธรรมดาว่านิมนต์อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะถวายอาหารให้กันล้วกันใครว่าเลี้ยงได้นะคะรัยอมรับแต่ที่จะเลี้ยงพระผู้ศเัทาได้อย่างนะี้นิมนต์อยู่นี่แหละก็เกี่ยวกับรัดที่อาบน้ําล้างบาปเนี่ยนะสมัยโนนของมาว่าไม่น่าจะยิ่งใหญ่เท่าสมัยนี้ในการอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะ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 ไอพ้พิเศษเลยไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นตรงแม่น้ำว่างนันโอ้ขนาดนั้นเลยบอกไปกันเถอะว่างนันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ณภัยสนแห่งหนึ่งไม่ไกลาอาสมของชดินอุรุเวลกัส ป, ปะครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่เมื่อราตรีผฐมมยานผ่านไปก็คือประมาณส5ห้าทุ่มหกทุ่มอะไรแถวนั้นอ่ะนะท้าวมหาราชทั้ง4ี่คือท้าวเวสวรค์เป็นต้นเนีย ก็เป่งรัศมีงามยังไพศาลทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าท้าวมหาราชก็ยืนเฝ้าอยู่ในทิศทั้งสี่ก็เหมือนกับอยู่สี่มุมเลยนะดุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นต่อมาเชดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยผ่านราตรีนั้นครั้นถึงแล้วก็ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณพระทหารเสร็จแล้ว คือเขาก็รับที่จะถวายอาหารประจำใช่ไหมเชาวมาก็ไปนิมนต์ให้มาสวยมาฉันเสร็จแล้วก็ถามว่าพวกนั้นคือใครกันหนอเมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปมีรัศมีงามยางไพ่สมทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปหาท่านครั้นถึงแล้วก็อภิวาทท่านได้ยืนอยู่ณนะทิทศ4เนี่ยนะทั้งสทิทศดุดกองไฟใหญ่ฉะนั้นคือมีรัศมีพุ่งออกมานะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนท่านกับสปะพวกนั้นคือเท้ามหาราชทั้งสี่ เข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมนะก็คือเทวดาชั้นจาตุมอ่ะนะท่านมาฟังธรรมกันชินอุรุเวลกัส ป, ปะก็มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้ามหาราชทั้งสี่เข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นอารหันเหมือนเรานะก็ยังเก่งสู้เราไม่ได้เราเป็นอารหารันเขาแค่มีฤทธิ์เนี่ยนะนะเพราะอารหันนี่เหนือกว่าคนมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นเราเป็นอารหารันท่านเป็นแค่คนมีฤทธิ์เหมือนกันะนะไม่เป็นอารหันเท่าเราเหมือนนะ พระพุทธเจ้าก็รู้นะพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรของเงียบคือบางคนเนี่ยนะยิ่งคนที่ลําพองมากขนาดเนี้ว่าอะไรไม่ได้เลยยิ่งเขามีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยแตะต้องเขาไม่ได้เลยแล้วก็คนที่บูชาไฟเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าคนที่บูชาไฟเนี่ยไม่ใช่ทําให้ใจเย็นเลยนะจิตใจก็สะสมเตโชธาต์ไว้เยอะท่าะะ น, นก็ซ่องเสพแต่ของร้อนทั้งพวกนี้ใจร้อนหน่อยมันก็ต้องนิ่งให้ใครอยากว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะ ก็ปล่อยเข้าไปก่อนยิ่งคนดุดุหน่อยก็อย่าไปทําอะไรเลยนะนะอย่าไปทําให้ลูกสุนัขดุแค่เราว่าเหมือนกับแย่ดีหมีเนี่ยเข้าไปใกล้จมูกลูกสุนัขดุดุมันจะดุยิ่งขึ้นไปอีกเขาบองั้นทั้งกลุ่มฤาษีเหล่านี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเงียบอย่างเดียวก็แค่เราว่าค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะว่ามานะเขายิ่งใหญ่มากมานะแบบนี้คืออาทีมานะมานะที่ที่ไม่เป็นจริงอ่ะนะคือสําคัญผิดไปเองสําคัญตัวเองว่าเป็น อรหันเพียงแต่ว่าย่างไฟอาบน้ําล้างบาปเท่านั้นเองก็เนี่ยแหละเขาทําจนเรียกว่าครบวิชากระบวนความของเขาเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สรวิภัตตาหารของเจดินอุรุเวและกัสปะประทับอยู่ในไพรสนตําบล น, นั่นแหลครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วแห่งรัสมีงามยิ่งยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัย เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงที่แล้วจึงถอยบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดไฟกองใหญ่ด้วยวันณะที่งดงามประนีตกว่ารัศมีของเทวดาก่อนอีกเนะเพราะว่าเท้าส ก, กะมีรัศมีงามกว่าเท้าจาตุมเนี่ยนะเท้าจาตุมก็เหมือนกับอมัดทั้ง4ของท่านเท่านั้นเองเนะเพราะว่าเท้าสัก่าเนี่ยควบคุมอ่าเป็นใหญ่กว่าเทวดาสองชั้นคือชั้นดาวดึงกับชั้นจาตุ้มเนี่ยนะ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 เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแปลงรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาท่านครั้นเข้ามาถึงแล้วก็ยังอภิวาสท่านอภิวาสแปล ว, ว่ากราบเคารพมากเนี่นะเขาบอกว่ายัางมากถ้าคนแบบเคารพธรรมดาเพียงแต่ยกมือไหว้ก็ถือว่าเคารพพอสมควรนี่มาถึงแล้วกราบท่านเลยนะกราบเสร็จแล้วมายืนส่วนข้างหนึ่งของท่านน่ะรัศมีก็สว่างสวัยดุดไฟกองใหญ่งามแล้วก็ประณีตกว่ารัศมีของเทวดามาชุดก่อนอีกนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าผู้นั้นคือเท้าสักกะจอมถวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟังคำเก็เข้ามาเพื่อฟังอริยสัจธรรมจากพระพุทธเจ้าชะเดนอุรุเวละกัสปะก็ได้มีความคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้าสักกะจอมถวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟังคำแต่ก็ไม่เป็นผ้าหันเหมือนเรานะก็ไม่ยิ่งใหญ่ขนาดเรานะเราใหญ่กว่าอีกมยางนั้น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 นะรัศมีที่งดงามและประณีตกว่าเทวดาอีกเทวดานะงามกว่าเท้าจ่าตุม้มงามกว่าเท้าสักกะเพราะว่าท่านเป็นเท้ามหาพรหมครั้นล่วงราตรีไปชดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงแล้วก็ได้ทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตฐารเสร็จแ ล, แล้วก็อดใจถามไม่ได้เมื่อคืนสว่างมาก บอกผู้นั้นเป็นใครกันเนาเมื่อราตรีปฐมมายามผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามยังไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาท่านครั้นถึงแล้วก็อภิวาสท่านได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดไฟกองใหญ่และงามประณีตกว่าดรัศมีของเทวดาก่อนๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนท่านกัสปะผู้นั้นคือเท้าสามบดีพรมเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรม รู้เวลากับส ป, ปะก็คิดไว้ว่า อ, อพระมหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับเท้าสามบดีพรมเนี่ยเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ไม่ดีจริงหรอกสู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าเนี่ยนะเราเป็นอรหันต์ของท่านแค่พรมมาหาแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยเจนอรหันต์แต่เทวดาไม่เคยมาหาเลยงั้นที่จริงในหลักการพูดถึงตอนที่ภาษารีบุตรจะดับขันปริณิพานเหตุการณ์จะคล้ายกัน ตอนที่ภาษาราบุตรไม่สบายมากป่วยเรียกว่าเวทนาปางตายเลยนะนอนอยู่ที่เตียงที่เกิดนั่นแหละแล้วก็เทวดาก็มาเฝ้าเข้ามาทีละชุดทีละชุดเนี่ยนะเท้ามหาราชเท้าสักกะจนถึงเท้ามหาพรหมก็มาเช่นนี้แม่ภาษาราบุตรก็ฟังอยู่ตรงนั้นเลยยืนฟังดูไอ้ใครเข้ามาก็เที่ยวก็ยถามลูกว่านี้ใครนี้ใครนี้ใค ร, น, ใครนี้ใครเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ภาษาราบุตรก็เล่าให้ฟังบอกโหขนาดลูกของเรานะีอนุภาพยังมากขนาดนี้ และพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของลูกเราเนี่ยจะขนาดไหนภาษาริบุตรก็แสดงพระพุทธคุณให้มารดาฟังมารดาก็มีปีติในพุทธคุณมากแล้วก็พอฟังพุทธคุณคาถาจบก็เป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันก็บอกโอ้ยทาไมลูกปล่อยให้แม่ตกค้างอยู่นานขนาดนี้เห่างนั้นทําไมไม่สงเคราะห์แม่ว่างตั้งสี่ปีนะสีบกว่าปีแม่ไม่เลื่อมใสเลยเพราะฉะนั้นภาษาริบุตรไปบินทบาต ท, ที่นารกาคำเมื่อไหร่ก็ได้แต่คําเสียดสีเท่านั้นนะ ได้แต่คำเสียดสีพูดทิมพูดแทงพูดดักหน้าดักหลังที่พระราหุนใช้ว่าคุณย่าก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่ด่าอย่างเดียวกทนั้นคือพระาหุนเนี่ยเรียกเรียกแม่ภาษาดิบว่าคุณยา่าเนี่ยนะบอกว่าพระราหุนคุณยา่าว่าไงมั่ง ก, ก็ได้แต่คําด่ามาแล้วอุปชาของเธอว่าไงอุปชาก็เงียบเท่านั้นภาษาริบเนี่เงียบตลอดเลยนะจนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคุยด้วยง่ายๆเนี่ยนะแต่ก็ท่านก็เก็บใจรอตั้งสี่สิบสี่ปีเนี่ยนะ อดใจรอสี่ิบสี่ปีของเราก็ใครก็บอกว่าแข็งแข็งก็ทนหน่อยมาโอ้ยไม่ไหวหรอกท่านทั้ง4ีสบสี่ปีตายเกิดใหม่ทั้งนานแลยขนาดนั้นทางนั้นก็ไว้สงเครกันชาติหน้ากันแล้วกันทําบุญไว้เยอะๆสาธุชาติหน้านะบุญที่ทําชาตินี้ก็ขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีอํานาจให้สงเคราะห์คนนั้นได้เถอดเนี่ยนะต้องได้ในะสักวันหนึ่งนะใครอะไรจะไปทนความปรารถนาดีได้ยังไงทางนั้น ต่อไปอีกว่าโดยสมัยนั้นแลเฉดินอุรุเวลกัสปะได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคะและมะคขทั้งสิน้นเรียกว่าชนสองรัฐสองแคว้นใหญ่ๆเนี่ยนะแคว้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรัฐที่ที่คนในยุคนั้นนับถือมากที่สุดก็คือรัฐที่ของอุรุเวลกัสปะนาถีกัสปะขยากัสปะสามพี่น้องอรหันต์นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมีลูกศิษย์ตั้ง1น0 0งคนเนี่ยนะ สถานที่ใดที่อยู่กันเป็นพันพันคนเนี่ยมันถือว่าโอ้ยิ่งใหญ่นะกลุ่มฤาษีด้วยเนี่ยนะไม่ใช่กองทัพเนี่ยกลุ่มฤาษีที่อยู่กันเป็นพันพันท่านน่ยแล้วข้อวัดปฏิบัติเขร่งคัดมากประชาชนนับถือกันทั้งสองแคว้นเลยทั้งแคว้นอังคากับแคว้นมคธเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยู่ที่เมืองราชจะครึกแต่ว่ามีอํานาจครุมสองรัฐใหญ่ก็คือแคว้นอังคากับแคว้นมคธ พระองค์เนี่ยได้รับปฏิญญาอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะไปสงเคราะห์หรือจะไปโปรดแวดแคลนคือแคลนมาโคดกอดเนี่ยทีนี้อาการที่จะสงเคราะห์ในคนในแคลนนั้นได้อะ่ะก็ต้องสงเคราะห์อารหารของแคลนนั้นก่อนนะนะสงเคราะห์ผ้าอารหารในแคลนนั้นให้ได้ดิบได้ดีก่อนนะนะแล้วประชาชนที่เหลือก็ไม่ยากทีนี้เอ่อเขาจะมีงานปีเรียกว่างานประจําปีของงานประจําปีบูชายันของชาวประชาชนชาวสองแคลนเนี่ยก็จะมาบูชาที่ไหน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 ประชาชนชาวอังคาชาวมคตทั้งสิ้นก็ได้นำเอาของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมาหาเราทีนี้ก็เรานี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนยิ่งใหญ่มากขนาดนี้ประชาชนสองแคว้นต้องมาบูชาเราแต่ก็เอะใจถ้าพระมหาสมณะจักทาอิทธิปาฏิหาริย์ในหมู่มหาชนลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะส่วนลาบสการะของเราจักเสื่อม ริสยามก็จะเข้ามาแล้วแค่ได้ว่าขอความอัศจรรย์จงมีแต่เราผู้เดียว น, นะก็เลยบอกเออทำไงเนาะพรุ่งนี้พระมหาสมณะไม่ต้องมาฉันทํำยังไงดีอจะไปบอกตรงๆหรือก็เกรงใจเนี่ยนะพูดไม่ได้ใช่ไหมน้ําท่วมปากเพาตัวเองก็ปวารณาไว้เดี๋ยวจะจ ะ, จะถวายอาหารให้ท่านฉันจะไปบอกว่าพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องมาหรือมันก็ได้แต่ความอึดอัดใจนะเดี๋ยวก็ถ้าเขาแสดงฤทธิ์เมื่ อ, อไหร่เราก็จบเลยแล้วเราก็เป็นอรหันต์แต่ทำฤทธิ์อะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะอรหันต์ในความคิดเท่านั้นเอง เอ๊ทำไงดีบอกเอ๊ก็ตั้งความปรารถนาคิดไว้ในใจลึกๆว่ะเออสมณะเนี่ยทายังไงท่านไม่ต้องมาหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบความปริวิตกแห่งจิตก็คือสรู้ความคิดของท่านอุรเวลักัสปะด้วยพระไทยแล้วเนี่ยนะด้วยพระสัพพัญยุตยานเนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จไปอุตรากุรุทวีปทรงนําบินทบาท จ, จากอุตรากุรุทวีปนั้นนะมาเสวยที่ริมสระอนุดากประทับพักกลางวันอยู่ณที่นั้นอยู่ทั้งวันเลย เราว่าไม่พระพุทธเจ้ารู้เลยนะไม่เสนอตัวเข้ามาแม้แต่นิดเดียวเลยนะเดี๋ยวมันจะกระเทือนสํานักอราหารันต์เหมือนกันคันล่วงราตีนั้นเชเดินอุรุเวลกัสปะ ก, ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคันถึงที่แล้วก็กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแลว้วมหาสมณนาพัตนาหารเสร็จแล้วนะได้เวลาฉันแล้วนะแต่เมื่อวานแกล้งลืมเนยนะเมื่อวานเนี่ยแม่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานี่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้เนี่ยได้เวลาอาหารแล้วเหมืนกะัน แต่ก็เอออดคิดไม่ได้ว่าเออเพราะเพราะเหตุไรเนาะเมื่อวานนี้ท่านจึงไม่มาเอะความจริงเนี่ยข้าพเจ้าก็ระลึกถึงท่านว่าเหตุไฉเนานะพระสมณะจริงจะไม่มาแต่ส่วนแห่งขาชนิยะโภชนียาอาหารข้าพเจ้าก็จัดไว้เพื่อท่านเออเมื่อวานนี้ก็คิดนะวะ่าเออทำยังไงจะได้ไม่มาแต่ก็จัดอาหารรอนะแต่ทําไมไม่เห็นล่ะพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามมาดูก่อนกัสปะท่านได้คิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่า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 ดูก่อนท่านกับสปะก็นั้นอเรานั้นแลก็รู้ความคิดของท่านด้วยใจเราก็เลยไปอุตรกุรุทวีปนําอาหารบินทบาทมาจากอุตรกุรุทวีปนั้นมาฉันมาฉันอยู่ที่ริมสาโนดาดแล้วก็พักรลางวันอยู่ณที่นั้นเชเดินรู้เวลกับสปะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้เนี่ยรู้แม้กระทั่งความคิดไปบิณทบาทที่อื่นชั้นก็ได้อะไรก็ได้ ทราบได้แม้กระทั่งความนึกคิดได้ด้วยใจแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราบางั้น่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมถึงจะมีฤทธิ์รู้วารจิตใครขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนเราคือพระอรหันต์ก็ในฐานะผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเขาเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆเพราะเขอาบน้ำล้างบาปมันนอนบูชาไฟย่างกิเลสจนกิเลสมันหมดเลยแหละอาบน้ําชําระล้างทิ้งหมดแล้วมันเขาเหนือกว่าพราะพุทธเจ้าก็ได้แต่รูปงามแล้วก็สแสดงฤทธิ์ได้ก็มีอะไรเนี่ยนะรู้วารจิตไม่เห็นมีอะไรเลยสู้เราไม่ได้ เราแน่กว่าว่าั้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพระตาหารของชะลินอุรุเวและกัสปะแล้วก็ประทับอยู่ณนไะพรสนตำบนนั้นพูดถึงเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีใจกรุณาจริงๆเนี่ยยากที่จะทำได้คนมีมานะมากขนาดนั้นเนี่ยลำพองขนาดนั้นที่เรียกว่าหยาบขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ คือเจ้าสํานักทั้งหลายที่สําคัญตัวเองผิดผิดเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนี้เกือบทั้งนั้นนะจะว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนก็เหมือนเหมือนกันน่ะคนมีกิเลสเนี่ยนะกิเลสมันเข้าสิงสมัยไหนมันก็มันก็อยากพอๆกันมนแหละโดยสมัยนั้นผ้าบางสกุลเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผ้าบางสกุลตัวเนี้ย ท, ที่ที่พระองค์ไปชักเอามาจากไหนจากศพของทาสีชื่อว่าปุณนาเนี่ยนะ ก็ไปไปชาดเอาผ้าบางสกุลออกเนี่ยนะก็เขามีศพทาสีคนหนึ่งอะนะห่มด้วยผ้าบางสกุลเนี่ยแล้วพระองค์ก็ไปชาดเอาผ้าบางสกุลนั้นแล้วก็เขียนหนอนออกแล้วก็เอาผ้ามาไอ้ผ้านี่แหละที่ที่พระมหากัะสปะเอาไปนุ่งตลอดเนี่ยนะที่ที่พระมหากระสปะเป็นเลิศทางพระผู้ผู้ทรงผ้าบางสกุลหรือว่าที่ทรงทุดงเขวัตเนี่ยนะก็เอาผ้านี่แหละที่ไปแลกเอาผ้าใหม่ที่พระมหากระสปะใช้มาแล้วก็ พระองค์ก็สละผ้าบางสกุลนั่นเนี่ยไปให้แก่พระมหากรสปะผ้าบางสกุลนี้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดมริว่าเราจะพึงซักผ้าบางสกุลณที่ไหนเนารียลว่าผ้าที่กำลังเปื้อนคราบผิวหนังคราบเลือดคราบน้ำหนองอะที่ที่เปือเป้อนๆมาอย่างนั้นอะเพราะว่าจะไปซักที่ไหนเนาคิดดูเงี้ยนะเขามีอะไรนะผ้าห่มนวมที่เขาห่มศพอะ บางวัดนี่มีลายผื่นมากเลยนะเคยบวชสมัยเด็กๆก็กลวงจริงไม่หอมเด็ดขาดเลยนะหนาวก็ช่างเก็บไปหาย่างอื่นมาหอมแทนนี่ก็พระ อ, องค์ได้ผ้าอย่างนั้นก็ปรารบจะซักผ้าบางสกุลว่าจะซักที่ไหนเนอะลำดับนั้นเทาะะ้าสก่าจอมถวยเทพก็ทราบความคิดในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระไทยของพระองค์เนี่ยนะเท้าสะก่ารู้นะว่าพระพุทธเจ้าคิดอะไรอยู่จึงขุดสะบกครณีด้วยพระหัตใช้มือนี่ขุดเลย แมกโรมือนะแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดซักผ้าบางสกุลในสาสนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงลาเดชต่อไปว่าเราจะพึงขยำผ้าบางสกุลณนะที่ไหนหนอคือเขาจะซักบนพื้นนะนะก็มันก็ขยําขยํากับพื้นนะ่ะคือไม่ใช่ขยี้นะคือขยําอะต้องมีที่รองรับนะถ้าขยี้ก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรรองแต่ถ้าขยําต้องมีอะไรรอง